สอนของพุทธศาสนาทั้งที่เราได้ฟังจากวัดสวนมนก็ดีหรือที่ได้สาธยายพระสูตรสำคัญธรร ม, มาจั ก, กรประวัตนาศูนย์เมื่อสักครู่ก็ดีจะมีการพูดถึงเรื่องทุกข์หรือความทุกข์นี่มากนะ จนบางทีก็มีการพูดกับวระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแบบทุกนิยมนะหรือมองโลกในแง่ร้ายแต่ที่จริงแล้วที่ท่านพูดถึงทุกมากเนี่ยก็เพราะว่าทุกกับรมสัมพันธ์กันมากนะ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 เป็นเครือข่าที่มีบทบาทสำคัญมากในการเผยแพร่ธรรมะให้แพร่หลายไปทั่วโลกคำว่าวิปัสสนาที่ฝรั่งรู้จักกันเนี่ยก็มาจากศูนย์วิปัสสนาของท่านโกเอนกาแต่นะ น, นี้พอพูดกับฝรั่งว่าวิปัสสนานี่ไม่ต้องแปลและเขาเข้าใจ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 เงินมีมากมายแต่ว่ารักษาไมเกรนไม่ได้ก็มีคนแนะนําให้ไปลองทําสมาธนะิก็ไม่เคยท่านก็ไม่เคยรู้จักสมาธิมาก่อนแต่ว่ามีคนแนะนําก็ไปนะก็ไปฝึกกับพระนะท่านเกิดที่พม่า ก, ก็ฝึกกับพระพม่าปรากฏทําไปแล้วได้ผลคือว่าไมเกรนหาย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 อยู่ที่อินเดียอยู่ที่พม่าไม่ได้แล้วนะต้องไปต้องรีภัยไปประเทศอินเดียไม่งั้นไม่มีทางธรรมาหากินได้จเจริญก้าวหน้าพอไปอินเดียก็เลยเป็นโอกาสที่ทําให้ได้ไปสอนธรรมะเด้เงแจงอย่างเต็มที่เพราะาอินเดียนี่ไม่ค่อยมีพระแทบจะไม่มีเลยอาจารย์วิปัสสนาก็ไม่ค่อยมีพอท่านไปอินเดียก็เลยมีบทบาทสําคัญเป็นอาจารย์วิปัสสนา ถ้าใจเดียวก็เลยแพร่หลายกระจายไปสู่ยุโรปอเมริกาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพราะทุกนะทุกผักดันให้เจอธรรมะนะทั้งความเจ็บความปวยทั้งการถูกบีบบังคับไปต้องออกจากประเทศที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนไม่มีหลายคนนะที่มาพบธรรมะเพราะความเจ็ความป่วยและโรคหนึ่งที่ทาให้คนเข้าหาธรรมะมากคือโรคมะเร็ง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 เป็นเหตุให้ลูกตายในใจก็คิดแต่ว่าไม่น่าอ น, นุญาตให้ลูกไปอินเดียเลยวันนั้นถ้าวันนั้นไม่อ น, นุญาตให้ลูกไปอินเดียลูกก็ไม่ตายก็เฝ้าแต่คิดวนเวียลงโทษตัวเองหัวใจเลยแทบจะสลายเสียศูนเสียศูนย์เป็นปีก็ไม่ไม่มีไม่รู้สึก ด, ดีขึ้นสุดท้ายก็เลยต้องเข้าหาธรรมะพอได้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 แต่ก่อนมันก็กัดกินใจมากแต่ตอนหลังก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้มันเกิดขึ้นก็เห็นมันดับไปเกิดขึ้นก็เห็นมันดับไปไม่ยึดไม่ไม่ไม่เหนี่ยวอารมณ์นั้นเอาไว้ให้กัดกินใจก็เลยจิตใจก็เลยเบาสบายโปร่งโล่งนะเวลานี้เนี่ยนึกถึงลูกก็ไม่ไม่เสียใจแล้วพราะเข้าใจแล้ว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 ที่ทําให้แม่ได้พบธรรมะเธอบอกว่าเนี่ยความตายของลูกน่ะคุ้มค่ามากเพราะว่าทําให้แม่ได้มาพบธรรมะอันประเสริฐยิ่งคงมีแม่ไม่กี่คนที่จะบอกที่จะพูดว่าขอบคุณที่ลูกเสียชีวิตหรือขอบคุณความตายของลูกนะเพราะวาความตายลูกมันยิ่งใหญ่มากนั่นแต่เธอก็สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะว่าสิ่งที่ได้พบนะ มันเป็นพย ก, การสูญเสียลูกนี่มันมันมันมีคุณค่ามากเหลือเกินมีผู้หญิงคนหนึ่งโดนเจอทุกข์แบบที่เรียกว่าน้อยคนจะได้เจอเธอเป็นสาวา ส, สาวสวยนะอายุ21ปีเป็นดามหาวิทยาลัยวันหนึ่งก็ไปติดต่อพบผู้ชายคนหนึ่งทางอินเทอร์เน็ต ก็เลยติดต่อเรื่อยมาติดต่อไปติดต่อมาผู้ชายหลงรักนะทั้งที่ไม่ได้เจอตัวยิ่งเจอตัวยิ่งหลงรักเข้าไปใหญ่แต่พอเธอไม่เธอบอกว่าไม่ได้รักแบบหนุ่มสาวผู้ชายโกรธมากาน้ําสดาน้ํำกรดสตร์หน้าเธอเลยเสียโฉมทั้งใบหน้าเลยนะแถมตายยังบอ่ออีกข้างหนึ่งนะคนที่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 ทั้งลูกทั้งแม่เลยเพราะว่าอับอายที่คือทนเห็นคนรู้จักมาทักทายไม่ได้คนรู้จักเขาก็คงไม่อยากทักทายแล้วเพราะหน้าตานี้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยเรียกว่าอปรลักษณก็ได้ก็เรยว่ามีชีวิตด้วยความทุกข์นะแต่ผ่านไปสามสีป่ปีเธอเหมือนกับกลายเป็นคนใหม่ไปเลยก็ไม่รู้สึกอับอาย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 คนที่ศารนํากรดสาดหน้าเธอไหมเอาน้ํากรดสาดหน้าเธอเธอบอกไม่ไม่โกรธเลยขอบคุณเพราได้ซ้ำํำขอบคุณคนที่เอาน้ากรดสาดหน้านะทำไมล่ะก็เพราะว่าเหตุการณ์คร้งนั้นทให้เธอมีคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นคือนอกใจกทําให้เธอได้มีโอกาสใกล้ชิด ก, กับแม่มากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่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 เข้าใจความจริงของโลกแล้วปล่อยวางได้มากได้เร็วขึ้นอันนี้เรียกว่าเธอบอกว่าใช่ว่าคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคือว่าไม่ไปยึดติดถือมั่นกับไอ้สิ่งที่มันเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่เรียกว่าเป็นเพรา ะ, ะเจอทุกเนี่ยถึงได้มาพบธรรมะ แต่ที่จริงความสัมพันธ์ระหว่างทุกข์กับธรรมะมันไม่ได้มีแค่นั้นนะเพราะว่าถ้าใครควรที่ดีก็จะเห็นว่าการที่เจอทุกข์นั่นแหละทำให้ได้รู้จักธรรมะโดยตรงเลยนะอย่างที่เล่าเรื่องนางกีสาโคตมีนะที่เสียลูกไปถ้าเธอไม่เสียลูกก็คงจะไม่เห็นแล้วเห็นว่าไอ้สังขารเนี่ย มันไม่เที่ยงที่จริงกีสาคนนี่เป็นคนฉลาดนะแต่ว่ายากที่จะพบทำได้ถ้าไม่เสียลูกนะลูกที่ยังเล็กน่ารักแต่ว่าพอเสียลูกไปนะก็เห็นเลยว่าโอ้สังขารนี้นะมันหนีไม่พ้นความพัดพรากสูญเสียการเกิดมาอย่างที่เล่าไปพอเธอยอมรับได้ว่า ทุกคนต้องตายและทุกคนต้องสูญเสียคนรักสิ่งเป็นที่รักพอรูปไปไปเผาแล้วนี่มาทูลมามากราบพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงธรรมนะแค่ไม่กี่ประโยชน์เท่านั้นแหละนางบรรุธรรมเป็นพระพระโสดาบันเลยธรรมะนั่นก็คือเรื่องของความพัดพ่าสูญเสียว่าเนี่ยน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลจันใดนะ ความตายก็ย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในคนรักนะฉันนั้นคือพัดพาให้ทุกข์ให้จมอยู่ในความทุกข์เนื่องจากตัวเองเนี่ยเจอความทุกข์มาด้วยตัวเองก็ทราบซึ้งเลยนะคำสอนนี้ทราบซึ้งแก่ใจคือทําไม่สูญเสียเนี่ยฟังไปก็ก็แค่รู้นะแต่พอสูญเสียด้วยตัวเองเนี่ยฟังทำแค่นี้แหละ ก็เข้าใจธรรมะอย่างลึกซึ้งเลยเห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากปล่อยวางเลยนะก็เลยกลายเป็นพระอริยะเจ้าเป็นพระโสดาบันอันนี้ก็เช่นเดียวกับนางปตาจารานะนางปตาจารานี่ก็ไม่ใช่เสียแค่ลูกคนเดียวนะเสียสองคนเสียสามีแล้วก็เสียพ่อเสียแม่ทรัพย์สมบัติที่ของพ่อแม่ก็ถูกฆ้าพานะหมดเลย ตัว่างนี้เรียกว่าซินเนอร์ประดาตัวการสูญเสียนี่เกิดขึ้นไล่เลี่ยกันอย่างรวดเร็วมากไม่เหลือใครเลยจนกทั้งแทบจะเป็นบ้าพอมาเจอพระพุทธเจ้าพระองค์ไดนะ้พูดเตือนสติพอตั้งสติได้นี่พระองค์ก็แสดงธรรมก็เรื่องนี้แหละนะเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเรื่องความเป็นทุกข์ของสังขาร ยัพนะิจารณาตามก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะคือถ้าไม่เจอทุกข์ด้วยตัวเองนี่ก็ไม่มีทางที่จะซึ้งถึงธรรมได้พรนะิล리บางท่านนี่แก่ ง, งอมเดินไปไหนก็ต้องกระย่องกระแย่งนีไม้เท้ายัานะมีคราวหนึ่งเกิดเดินพลาดนะหกลม้มตัวกระแทกพื้นเจ็บปวดมากเลย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 ที่ย่อมลงมาหน่อยนะคือไม่ถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุธรรมเป็นพระยาา้าแต่ว่าความทุกข์ก็สามารถจะทำให้เราได้เห็นธรรมจนกระทั่งปล่อยวางได้มากอย่างเช่นน้ำท่วมนะใหญ่เมื่อสองปีที่แล้วนี่ผู้คนก็สูญเสียกันไปเยอะนะมีบางคนนี่สูญเสียทรัพย์สมบัติไปมากมายนะแต่ว่าได้ธรรมะนะเป็นรางวัลคือได้เห็นแล้วโอ้มันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยนะทรัพย์สมบัติที่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 ประโยชน์ในทางโลกๆอย่างว่าเออพอมีคนพอเราทุกข์แล้วก็มีคนมาเยี่ยมเยียนมาให้กําลังใจแต่ว่ามันสามารถทําให้เราได้เห็นความจริงหลายอย่างยิ่งทุกข์มากๆนี่ก็โอกาสที่จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้นก็มากขึ้นอย่าผูา้หญิงคนหนึ่งวันหนึ่งมาพบว่าสามีที่อยู่ด้วยกันมาสิกาปีเนี่ยเขานอกใจเธอโกรธแค้นมากเลยนะ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 แต่ที่ไหนได้นะพอไปปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นสามสี่เดือนได้เข้าคอสปฏิบัติธรรมนะเจ็ดคืนแดวันบอกว่าแค่วันแรกเท่านั้นแหละจิตใจก็รุ่มร้อนเลยเพราะมันนึกถึงใจนึกถึงอดีตสามียิ่งนึกก็ยิงแคนเพราะรู้สึกว่าถูกหักหลังถูกหลอกลวงไอ้ที่เคยคิดว่าตัวเองปล่อยวางได้ที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะมันใจยังไม่ว่างทั้งหา ทำโน่นทำนี่ใจเลยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องสามีพออยู่ว่างๆมาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจมันว่างเนี่ยมันก็ไปคิดเอาเรื่องเก่าๆมาคิดก็ยิ่งแค้นยิ่งวันและวันแรกก็ไม่สงบวันที่สองก็ยังร้อนอยู่ปฏิบัติมาสามวันก็ยังร้อนเพราะนึกถึงอดีตสามีพอนะวันที่สีเนี่ยขณะที่ใจยังรุ่มร้อนอยู่เนี่ยเดินจงกลมอยู่เดินเป็นชั่วโมง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 ไปยึดเรื่องของสามีซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วเอามายึดทําไมเอามอแบกทาไมนะพอเห็นเช่นนี้ปล่อยเลยนะคือที่ไปนึกถึงสามีนี่เป็นเพราะลืมไม่มีสติขณะปฏิบัติธรรมนะแต่ว่าใจมันไม่มีสตินะใจไปไปยึดติดถือมั่งคือเรื่องที่ผ่านไปนแล้วนะพอพอรู้เท่านั้นแหละนะว่ายึดทําไมยึดแล้วทุกข์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 ถ้าหากว่าเราเห็นทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยมันไม่เป็นทุกข์แล้วสังเกตไหมเวลาเราเวลาเรามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นไม่ว่าในขณะปฏิบัติธรรมหรือในเวลาปกติก็ตามเวลามีความหงุดหงิดเวลามีความโกรธนะถามว่าทุกข์ไหมทุกคนก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ลองพอมีสติเห็นเลเห็นความหงุดหงิดเห็นความโกรธเนี่ยให้ความทุกข์นี้มันเบาไปเลยเพราะว่า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 พระเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยเมื่อมีทุกข์เนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือต้องกําหนดหรือรู้ทุกข์อย่างที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยธรรม ะ, ะความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุดไทยคือแห่งทุกข์เวล่เราทุกข์เนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําคือต้องรู้ทุกข์นะคือรู้ว่ากำลังทุกข์อยู่รู้ว่ากลากลังโกรธอยู่รู้ว่ากําลังหงุดหงิดนะ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 ที่โกรธนี่ไม่ใช่จิตมันโกรธนะไม่ใช่ที่โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเป็นจิตที่โกรธ ถ, ถ้ามมีสตกิก็ไม่เห็นนะก็ไปคิดว่ามีเราไปหมดเลยนะเราปวดเราเจ็บเราโกรธเราโมโหมันมีแต่ตัวเราเป็นผู้กระทำแต่พอเรามีสติเราเห็นลอล้ปวดนี่มันเป็นเรื่องของกายนะ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 ความโกดก็อันนึงจิตก็อันหนึ่งเวลาเมื่อยเนี่ยหรือเวทนาเนี่ยมันก็เห็นนะว่าเอเวทนาก็อันหนึ่งร่างกายหรือหรือรูปก็อันหนึ่งมันจะเห็นแยกเป็นส่วนๆแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่เลยนะจะไปรู้สึกโอ๊ยฉันปวดฉันปวดฉันเมื่อยฉันเมื่อย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 ความโกรธไม่ใช่เป็นตัวจิตนะโกรธอันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งแต่พอถ้าไม่มีสติจิตนก็ไปรวมกับความโกรธไปยึดว่าความโกรธเป็นเป็นกูเป็นของกูขึ้นมาก็ทุกข์มันเหมือนกองไฟนะกองไฟเนี่ยเห็นกองไฟถ้าเอาตัวไปอยู่ในกองไฟมันก็ร้อนเอาตัวไปอยู่ท่ามกลางกองไฟก็ปวดนะร้อนทรมานแต่พอ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 ไปเติมฟืนเติมเชื่อให้มันมันก็เลยลุกอยู่นั่นแหละต่อเมื่อเราวางนะเห็นมันเฉยเฉยวางนี่ไม่ได้แปลว่าไม่คิดนะเพียงแต่ว่าจะหมายถึงการที่พอมันเกิดขึ้นเราก็ดูมันรู้มันเฉยเฉยมันก็จะไม่สามารถสร้างความทุกขนะ์ให้ยืดยาวต่อไปได้อันนี้แหละคือการรู้ทุกข์นะความรูการรู้ทุกข์นะ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 ไม่มีอะไรที่ไม่ทุกเลยมันมีแต่ทุกไปหมดนะสังขารทุกอย่างเป็นทุกไปหมดกายเราก็ทุกใจเราก็ทุกทุกในที่นี้หมายถึงมันถูกบีบคั้นนะเนื่องจากตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขได้อย่างแท้จริงทรัพย์สินเงินทองก็ทุกนะไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมมันทุกหมดก็เลยไม่อยากจะเข้าไป ยึดไม่อยากจะเข้าไปครอบครองแล้วที่เราอยากจะเข้าไปครอบครองมันเพราะเราคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราได้แต่พอเห็นว่าทุกอย่างนี้เป็นทุกข์ไปหมดมันก็กองไฟเหมือนกระดุดฟืนที่ติดไฟก็ไม่อยากจะเข้าไปยึดเข้าไปจับเข้าไปครอบครองเหมันและเหมือนอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยมันปล่อยเองเพราะรู้ว่ามันเป็นของร้อนก็ปล่อยเองไม่จับแล้วอันนี้แหละคือการปล่อยวางปล่อยวางเพราะเห็นว่า สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าทุกอย่างมันมีแต่ทุกข์นะโลกนี้มีแต่ทุกข์นะแล้วก็ความดับทุกข์ที่ดับทุกข์เพราะปล่อยและที่ปล่อยเพราะเห็นว่าเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ในความหมายที่การมันคอยบีบคั้นกับผู้ที่ไปยึดมั่นถือมั่นมันอันนี้แหละคือความหมายของที่ลึกซึ้งคําว่ารู้ทุกข์นะเพราะฉะนั้นพอรู้ทุกข์แล้วนี่มันมันวาง มันปล่อยเองก็เกิดเป็นความอิสระขึ้นมาก็คือพบธรรมะเห็นธรรมะเกิดปัญญาเพราะนั้นเนี่ยคำว่าทุกเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องกลัวต้องปฏิเสธเสมอไปนะมันมีประโยชน์ ม, นมีคุณค่ามากที่เราควรรู้นะถ้าเราเข้าใจเช่นนี้เนี่ยเราก็จะไม่ไม่หันหลังให้ทุกแล้วแต่ว่าเราจะหันหน้าให้ทุกเพื่อดูเพื่อใคร่ควรวญมัน แล้วเราจะได้ประโยชน์จากมันทีแรกทุกนี้มันผลักเราให้เข้าอาธรรมะแต่ต่อไปนี่เราบีนซีแก่ก้าเราก็จะดูทุกและเราก็จะพบธรรมที่ลึกซึ้งจนทําให้เกิดความสงบเย็นได้ในที่สุดช้านี้ก็พ่กับท่อนนี้นะครับ